เราทุกๆท่านศรัทธาญาติโยมเนอะตั้งอกตั้งใจภาวนาในพรรษาในหลวงพ่อไม่อยากจะให้ทาอะไรมาวันพระกันอย่าไปพูดคุยกันอะไรมากต่างคนก็ต่างนั่งคนละมุมกันซาลงสาลาที่พักกุฏิที่ไหนอย่าไปพูดคุยกันการพูดคุยกันเราอยู่ในบ้านแล้วก็คุยกันจนพอแรงแล้วล่ะเออแต่มาอยู่วัดยะมาหานั่งคุยกันอีกบางคนเขานั่งภาวนา ตัวเองก็หิวข้าวนอนไปหลับมานั่งคุยกันสุบุรีคุยกันยังไม่ได้นะมาอยู่วัดห้ามสุบุรีนะงดได้ก็ดีนะต่างคงต่างนั่งอยู่คนละมุมกันไหวพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอจ็ดวันยังค่อยมีครั้งหนึ่ง เ, เรามาภาวนาดูซิเป็นยังไง เ, เรามานั่งภาวนาทําใจให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก เวลานั่งยืนเดินนั่งนอนถ่ายยังก่อนเดินแต่ก็ให้ระวังนะมันลื่นถ้ามันฝนตกอย่างนี้ให้ระมัดระวังแต่ว่าเราเดินอยู่ข้างๆศาล า, าถึงได้ไม่เป็นไรเดินคนละมุมกันคนละข้างกันเวลาเดินกับภาวนาขาขวาพุทธขาซ้ายโธพุทธโทพุทธโธนี่แหละมานอนวัดมาพักอยู่ในวัดหลวงพ่ออยากจะให้ภาวนาให้มากนะ ไม่ให้พูดคุยกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างดูจิตดูใจของตนเองพอเราพูดคุยมามากต่อมากแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมาคราวนี้มาอยู่วัดมาจะมาพูดมาคุยกันมุคคลหนึ่งนั่งภาวนาคนหนึ่งมาคุยกันอยู่ข้างๆไม่ได้นะเป็นบาปเป็นกรรมสำหรับตนเองอีกต่างหากและผู้อื่นเขาก็เสียเว ล, เวลามาอยู่ในวัดแล้วมาได้ยินแต่คุยกัน มาภาวนาเพราะนั้นถ้าว่ามีเห็นใครคุยกันอย่าไปอยู่ใกล้หนีห่างๆไปภาวนานะและที่ภาวนาของเราก็มีมากสรุปสำหรับผู้หนุ่มนะผู้หนุ่มผู้น้อยกันนะัะปีกหลีกตัวไปหาภาวนาที่ไหนก็ได้ตามร้านต่างๆตามคุติที่มันว่างๆข้างนอกไปกลางมุองกลางนั่นอยู่ยดู่้วยกันคนสองคนก็ได้ อูคนละมุมกันแล้วกันนอนแล้วกันภาวนาแต่นล้วก็เดินยองกลมนี่แหละในรรษาในหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราทำอย่างนั้นนะกลางค่ํากลางคืนส่วนกลางวันก็ช่วยพระทําการทํางานช่วยครูบาถ น, นนหนทางกิ่งไม้ตรงไหนที่ครูบาขอให้ไปช่วยก็เอาไปช่วยทันซะปลูกไม้บ้างอะไรบ้างทําคุณประโยชน์ให้แกวัดแต่ไม่อย่างนั้นผู้สูงอายุก็เอา นั่งภาวนาดูหนังสืออ่านหนังสืออย่างเนี้ยวิธีการปฏิบัติเพราะพวกเราวันนี้เป็นวันเสียสละเป็นวันทำคุณงามความดีนอกจากนั้นเรากลับไปถึงบ้านเราจะไปจักไปศารไปทำอะไรเราก็ทำได้แต่สําหรับคนหนุ่มนะทำหน้าที่การงานสําหรับผู้สูงอายุกับปดระหว่างแล้ว ก็พยายามอยู่ในกรอบของศีลในศีล ใ, ในธรรมนั่นแหละในพรรษาในหลวงพ่อว่าอยากจะให้คนแก่เนี่ยรักษาศีลห้าเฉลยซ้ำไปตลอดไตรมาสสามเดือนแล้วก็วันพระก็รักษาอุโบสถศีลเราอยู่ใกล้เข้ามาแล้วเราจะชลาดใจนอนใจไม่ได้นะไม่รู้ว่าชีวิตของพวกเราจะหายตกหล่นไปเมื่อไหร่เมื่อวานมันก่อนเห็นไหมฮะ หลวพ่อก็ไปเผาโยมผู้ดูแลอุ ป, ปถัมภ์ปฐากวัดของเราอายุ60 7 68ปีตนเองแล้วพวกเราเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ผู้มากกว่านั้นก็มีเพราะนั้นเราจะไปชราใจจะไปนอนใจได้หรออเราเตรียมพร้อมหรือยังสเสบียงของเราพร้อมหรือยังถ้าสเสบียงของเรายังไม่พร้อมกว่า น, นั้นพยายามเตรียมสเสบียงเดินทาง พวกเราจะต้องเดินทางแน่นอนอีกไม่ได้ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งละ่ะอบุญกุศลเรามีแล้วยางพร้อมแล้วยังที่จะไม่ให้ตกทุกข์แต่อยากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราคิดทบทวนนั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดนะคิดดูให้ดีจากนั้นก็ให้ภาวนาทีนี่สังสมคุณงามความดีไม่ใช่ว่ามาที่วัดก็เห็นแต่หมูมาก็มา เห็นหมูเพื่อนมาวัดก็มาวัดแล้วก็มาก็ไม่ได้ทาอะไรมาคุยให้หมูลาคาญอีกอย่างงั้นไม่ได้นะมาต้องมาภาวนานะมาฝึกหัดดัดนิสัยนะพวกเราจะดีได้ไมันต้องฝึกหัดดัดนิสัยไม่ใช่ว่ามาแล้วจะดีเลยเขามาวัดแล้วจะดีเลยไม่ใช่นะมาถึงวัดแล้วจะดีแล้วไม่ใช่นะเราต้องมาภาวนานะเหมือนกับเราไปอยู่ประเทศที่เขาล่ารวยเนี่ย ไปอยู่อเมริกาแล้วจะรวยอย่างไม่ใช่นะเราไปต้องทำไปทางานต้องไปหาเงินมันจึงจะรวยได้ไม่ใช่ว่าไปสถานที่แล้วจะรวยไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนกันมาถึงวัดแล้วจะได้บุญโดยไม่ใช่นะเราต้องมาทำบุญต้องมาสแสวงบุญต้องมาไหว้พระสวดมนต์ต้องมานั่งภาวนาต้องมาดูใจของตนเองต้องทั้งอกตั้งใจภาวนาเร่งความภากความเพียรเข้าไป อย่างนั้นอ่ะมันจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าว่าพวกเรามาอยู่วัดแล้วก็จะมาเหมือนกับอยู่ในบ้านไม่ได้นะพอมาถึงวัดแล้วก็นูน่นมาพูดมาคุยเรื่องบ้านเรื่องเลือนเรื่องลู ก, เ ร, ลกเรื่องล้านเรื่องสามีพัญญาเรื่องลูกเรื่องเต่าคนนั่นไหวดีคนนี่ดีคนนั่นไปยังงั้นคนนั่นล่ํำรวยคนนี้มีทุกข์เออเอาเรื่องทางนอกมาสนทนากันในวัดมันไม่ถูกเลยนะ ่ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของญาติของโยมผู้มาสมาทานศีลมาอยู่วัดปิดเงียบไม่ต้องพูดเรื่องว่าเรื่องบ้านดีก็ดีของเขาชั่วกว็ชั่วของเขาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราขณะนี้เรามาภาวนามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมมาภาวนาเราจะไม่เอาเรื่อ ง, องภายนอกเข้ามายุ่งในวัดไม่เอามายุ่งในการสนทนากัน มีแต่ถามเออไปยังไงภาวนาอย่างนั้นท่านผู้ใดอ่านหนังสือใดก็อ่านอ่านหนังสือธรรมะให้ผู้หมู่ฟังเท่านั้นละ่ะธรรมะเป็นอย่างนี้นิทานเป็นอย่างนี้ชาดกนี่เป็นอย่างนี้ต้องสนทนากันอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะเอาเรื่องสัพเพเหระมาพูดในวัดไม่ได้นะหลวงพ่อเคยเล่าเป็นนิทานหรือเป็นชาดกหรือว่าเป็นเครื่องอุปมาอุปไมยให้ฟังสองสหาย เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันชนิดกันว่างั้นเถอคนหนึ่งก็บอกไปคบกับหมู่กับเพื่อนหมูเพื่อนโอ้วันพรุ่งนี้ไปหาปลาเนี่ผมไปเหมาสะปลาเขาแล้วนะน้องปลาเขาแล้วป่ะไปลงเข้าหุ้นกันไปตกปลาคนนี้ก็รับปาก ว่าจะไปหาปลากับเขาแต่นี็คนหนึ่งก็บอกไปอีกคนหนึ่งก็ไปไปเห็นหมูเพื่อนแต่ทายกอีกว่าเฮ้ยวันพุ่งนี้จะมีพระมาเทศนะอ่าอย่างหลวงตามหาบัวไปเทศอย่างนี้แหละไอ้หลวงพระจะมาเทศนะวันพุ่งนีนะ้มาเทศที่นั่นอ่จะไปไหมเดี๋ยวรวมกันนะติดกันเทศนะ พวกเราจะต้องร่วมกันไปฟังเทศวันวันพรุ่งนี้นะท่านนี้ก็รับเขาอีกเพื่อนคนหนึ่งก็รับเขาอีกเป็นสองสาายใช่ไหมคนหนึ่งก็รับว่าจะไปหาปลากับหมูกับเพื่อนพอรับปากเขาได้ลงซื้อบ่อปลากับเขาเหมืนกัคนหนึ่งก็เอาจะไปฟังเทศจะได้ไปติดกันเทศไปฟังเทศทำบุญ ทานน่าีพอมาตกตอนเย็นก็นมาเจอกันเฮ้ยไปฟังเทศโดยการวันพุ่งนี้วะวันพุธนี้จะมีพระครูบาจารย์พระเถระผู้ใหญ่มาเทศนะตรงนั้นตรงนี้โอ้ยไปไม่ได้แล้วพอไปรับกับเขาแล้วว่าจะไปซื้อบ่อปลากับเขาแล้วก็เลยไปไม่ได้พอไปก็ต้องเทงเงินเลยท่านนี้พอได้ซื้อบ่อปลาแล้วลงทุนกับบ่อปลากับเขาแล้วโอ้ เอาจะไ่ายังไงล่ะเอาไปก็ไปนะไปฟังเทศเ อ, อ, นอนุโมทนาด้วยนะาทางนี้ก็ทางคนก็เอา้าไปก็ไปหาปลาก็ไปนะไปจากนั้นตอนพุ่ ง, งนเช้าก็ไปแหละจะไห้คนที่ไปหาปลาเนี่ยก็เตรียมแหเตรียมอุปกรณ์ในการหาปลาอ่างนั้นแหละแต่คนที่ไปวัดเนี่ยก่อน ใส่ชุดเสื้อผ้าเตรียมดอกไม้ทูบเทียนอจะถูกปัจจัยไปเพื่อจะทําบุญทําทานไปฟังเทศ่งะเหมือนกับพวกเราไปวัดอย่างงั้นอ่ะท่นี้ขณะที่ไปนั่งเท่าไหรไอ้คนที่ไปนั่งฟังเทศเนี่ยไปนั่งฟังพูดใจัคล้ายๆว่ า, ามันมันคิดไปหาไอ้เพื่อนที่ตกปลาเหมือนกันเถอะไปหาปลาน่ยโอ้ไอ้ไปหาปล า, ป า, ปลามันคงจะได้ปลา พอแรงเพราะว่าเขาปลาเขาว่าปลามันเยอะน่ากูเลยมานั่งอยู่ฟังเทศมาพระมาฟังพระพูดเนี่ยเอพูดไปพูดมาอย่างเนี้ยก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรถ้ากูไปกับไปนั่นจะมันไปหาตกปลากับมันกูยังจะได้ปลามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเผอผะทาเก็บไว้ทําปลาลงปลาล่าได้อีกเนียเพราะปลามันเยอะเนี่ย คือเวลานั่งฟังเทศคิดไปถึงเขาหาปลาอใจส่งออกไปหาเขาหาปลาไปหาเพื่อนคนนั้นเหมือนกันเถอะปลาหนี้เปลือนคงจะได้ปลาอย่างนุ่นคงจะได้ปลาดูปลาช่อนอย่างนุ่นอย่างนี้ก็คิดไปแล้วงั้ืนกะเถเอเพราะความคิดเนี่ยคิดม่ได้คิดเรื่องหาปลาเพราะตัวเองก็เคยหามาแล้วนี่เลยคิดแต่เรื่องปลาเหมาือนกันเถอะไม่ได้สนใจเรื่องฟังเทศฟังธรรมพระสงฆ์กูบายจารย์ที่ท่านแสดงทําให้ฟังไม่ได้สนใจมิได้คิดเรื่องหาปลาเหมือน ตัว่าตัวเองเสียเปียบมานั่งฟังพระพูดไม่ได้ประโยชน์อะไรนเห็นพระพูดให้ฟังเนี้ยก็ฟังมาจนพอแรงแล้วมีแต่พูดเรื่องอย่า ง, งนู้นอย่างนี้มีแต่เกิดแก่เจ็บตายเมือนเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องสมาธิปัญญาตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์ตายแล้วเกิดแน่ก็ไม่รู้ตายแล้วศูนก็ไม่รู้ไม่มีใครมาพิสูจน์ได้อั น, นี้ก็คือความคิดของตะแก่คนนั้นเหนน่ คิดไปหาหมูเพื่อนไอ้ไอ้ไปหาปลาะไอ้ที่ไอ้ไปหาปลาทีนี่ไปก็ตายชีวิตของขานมันมันก็ไม่รู้จะยืดยาวไปสักเท่าไหร่ทําไรเราจึงมาหาปูหาปลาอย่างนี่เพื่อนชวนไปฟังเทศมันก็ไม่ไปตามไม่จริงน่าจะไปสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของตนเอง จะได้ไปมักไปผลอันนี้มาหาปูหาปล า, าหามุดน้ำดำ อ, อหนองน้ําอยู่ตรงเนี้ยคือใจเขาคิดมาแต่ถึงวัดบา ง, งั้นเถอะคิดแต่ถึงฟังเทศจิตใจที่จะมีแก่จิตแก่ใจที่จะหาปลาแล้วก็ไม่มีบา ง, งั้นเถอะหาปลาก็ไม่ได้พันนั้นเออหาอย่างไงก็ไม่ได้แต่คิดแต่ถึงวัดแต่นี้ก็พอตก เย็นมากกกลับมาอทีนี้ท่านนักปลาท่านบอกว่าคนสองคนในใครจะได้บุญมากน้อยกว่ากันคนหนึ่งไปวัดแต่ใจไปหาปลาแต่คนหนึ่งอยู่น้องปลาแต่จิตใจเข้าวัดอท่านเฉลยว่าท่านบอกว่าเนี่ยคนที่จิตใจมาวัดเนี่ยคนนั้นเป็นกุศลเพราะในขณะที่เขาหาปลาเขาไม่ได้เข า, มาไขาม่ได้ปลาเขาก็ไม่ได้ฆ่าปลาอีกทีหนี่ ใจิตใจของเขาเป็นกุศลเขาคิดอยากจะมาวัดตลอดเพื่อจะได้ฟังเทศรักษาศีลฟังครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนให้เขารู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างน้อยก็ได้รู้จักแนวทางปฏิบัติเพราะนานทีนั่นนานครูบาอาจารย์จะนมาเทศสนาว่าการให้คณะสัตชายาติโยมได้ฟังอย่างนี้หาได้ยากไม่ใช่มาท่านมาเทศทุกวีทุกวันให้คนนี้เขาก็คิดไป ไอคนที่หาปลาก็เหมือนกันเขาก็คิดไปแบบบาปอกุศลของเขานี่แหละอขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มาเปรียบเทียบกับพวกเราที่นี่ในเมื่อมาอยู่วัดเข้ามาอยู่วัดจิตใจก็ออกไปนู่นเคิดเรื่องหาอยู่หากินหาค่าสัตว์ตัดชีวิตออกมาพูดในวัดยิงอย่างนั้นตกปลาอย่างนี้ใจเบ็ดอย่างนั้นอทําอะไรออกไปนอกรูนอกทาง แต่คนที่อยู่นอกวัดเขาก็โอ้พวกที่ไปวัดเขาคงจะได้ยินครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านแสดงทำอะไรให้ฟังคงจะมีสติปัญญาเป็นแนวความคิดเขาคงคิดเข้ามาในวัดอีกแต่พวกเรามารักษาศีลมาภาวานาในวัดคิดออกไปข้างนอกะมันลักษณะอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ถูกเหมือนกับคนสองคนหาปลายกับคนที่ไปฟังเทศอย่างนั้น่ะเพราะนั้นพวกเราจะให้เป็นสองสหายนั้น อยาจะให้เป็นสหายแบบอยู่ในวัดแล้วคิดออกไปข้างนอกออยู่ในวัดก็ต้องตัดข้างนอกอย่าให้คิดถึงยังไงเราก็จะออกไปอยู่แล้ววันเพียงวันเดียวเราทํามากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วทําอย่างนั้นมาแต่ทําไมเรามาอยู่วัดเพียงวันเดียวจะทําให้กายวาจาบริสุทธิ์ไม่ได้เหรอรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาไม่ได้เหรอ แล้วก็ห้ามใจตัวเองไม่ให้คิดออกนอกลูนอ ก, ก, นอกทางไม่ได้เหรอสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะหลวงพ่อบอกแนวความคิดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปปุงฟุ้งออกไปข้างนอกมันไม่ถึงร้อยปีดอกต่างคนต่างไปถึงจะรักจะเกลียดจะโกรธถึงขนาดไหนก็เถอะนะเอาไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้นละ่ะขนาดร่างกายตัวเองก็ยังจะทิ้งเห็นไหมละ่ะโยมที่ว่าเนี่ย เวลาเขาไปก็มีตรงลูกหลานหลายคนเวลาไปกับไปตามลำพังเขาไม่เห็นแบกอะไรไปด้วยสักอย่างเอาน้ำลดมือเข้าไปก็รลดน้ำเข้าไปก็น้ำไหลออกขนาดน้ำก็ยังไม่ติดในมือของตัวเองอีกยังไม่ต้องพูดถึงเงินคาทรัพสมบัตินอกจากบุญกับบาปต้นนั้นอนะ่ะที่จะติดจิตติดใจของผู้นั้นไปประโลกภายภาคหนาถ้าว่าเขามีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้ว ตายออกจากชาตินี้ไปวิญญาณออกจากร่างไปแล้วนั่นละท่านีไปเกิดในภพภูมิใดก็มีแต่เป็นผู้เจริญไปเกิดเป็นมนุษย์กับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่มีทรัพ์สมบัติเป็นเงินเป็นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีปัญญาไปเกิดในปฏิรูปประเทศแต่ถ้าว่าคนมีบาปทำบาปทำกรรมแล้วไปเกิดท่นีเกิดที่ไหนก็มีแต่ทุกข์แต่ยาก มีแต่เรื่องแต่ราวไปที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนใจหาเงินคำทรัพย์สมบัติก็ไรยากเพราะเหตุไรเพราะบาปกรรมการกระทำในอดีตชาติพามาเกิดนะเพราะนั้นพวกเราให้เชื่อพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วอดีตอนาคตว่าการเป็นมาและการเป็นไปของ ชีวิตมนุษย์ชาติเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเราให้เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่อยากจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ให้ภาวนาอย่างที่ว่าเนี่ยทำใจให้สงบทําใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อเรารู้แล้วทําใจให้เป็นหนึ่งจิตใจสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าใจเป็นอันไหนร่างกายเป็นอะไรร่างกายกับใจนั้นเป็นคนละอันกันใช่ไหมความรู้กับร่างกายนั้นเป็นคนละอันกันใช่ไหม เราจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจตตังผู้ปฏิบัติย่อมรู้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตัวคนอื่นจะมานึกมาเดามาแทนเราไม่ได้เพราะนั้นเรานะั่นะเป็นที่รักอย่างยิ่งนะอย่าไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองคิดดูก็แล้วกันว่าเรารักเขารักเขานะั่นะผลที่สุดเรารักเราหนะ่อนยะยิ่งกว่าใครทั้งหมด เวลาเขาหิวอาหารเราหิวไปยังไงถ้าเห็นเขาหิวอาหารตัวหิวด้วยต้องยัดเส่ปากตัวเองก่อนม่างั้นนั่นแห <c oughs> ะเวลาไฟมาถูกขาเราแต่ถูกเขาด้วยเราจะไปยกเขาออกตัวเองต้องกระโดดเหยงก่อนเพื่อนเลยเพราะนั้นให้รักตนเองให้แก้ไขปรับปรุงแก้ไขตนเอง ตนเองนั่นะจะเป็นผู้รับดีรับชั่วรับบาปรับบุญรับคุณรับโทษไม่มีใครที่จะรับแทนเราได้เมื่อเราตายไปแล้วก็ไปคนเดียวไม่ได้เอาแบกใครไปด้วยนะเพราะนั้นให้พวกเราสั่งสมบุญกุศลุปแล้วนะให้ภาวนาภาวนาเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อพูดนะพยายามนั่งให้นานกำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทษ อันนี้ก็คือสมถะกรรมฐานให้พิจารณาให้ภาวนาพิจารณาถึงกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติกับลมหายใจเข้าออกหรือให้มีสติกับร่างกายหรือจะบริกรรมพุทโทรธธรรมโมสังโฆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าตายตายอย่างนี้ก็ได้ตนเป็นสุขผู้อื่นเป็นสุขก็ได้เกิดดับเกิดดับอย่างหลวงปูล่ลา่านบอกก็ได้ เกิดก็คือหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับสรุปแล้วก็คือเกิดตายเกิดตายเกิดมาในโลกนะั้เกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่เป็นอย่างอื่นนะเห็นอนันนีจังของไม่เที่ยงนี่แหละจะ บ, บริกรรมอันไหนก็ได้พอจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งพิจารณาเลยทีนะี้พิจารณาร่างกายสังขารตั้งแต่หัวจดเท้านะมีอะไรบ้างอยู่ในร่างกายของเรา พระพุทธเ จ, จ้าให้พิจารณาร่างกายเ네นี่ยเพราะจิตใจของมนุษย์ของเราพวกเราท่านทั้งหลายหลงตัวเองนะหลงการเป็นอยู่ของตัวเองว่าตัวเองจะไม่ตายว่าตัวเองนี่สวยงามาว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนวิเศษพิโส ร, ร่างกายของเราเนี่ยแต่ผลที่สุดนะพระพุทธเจ้าท่านว่าให้ดูพิจารณาดูให้ดีนะร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ให้ตายมันก็ตายอีกสักวันหนึ่ง น, นะร่างกายตายแน่นะ ใจของเราจะต้องออกจากร่างนะธาตุสีเ น, นี่ยขนาดร่างกายเรายังไม่ใช่ของเราคนอื่นละ่ะทรัพย์สมบัติอย่างอื่นละ่ะเงินคําทรัพย์สมบัติละ่ะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงน่ะพ่อแม่ละ่ะวงศาคณาญาติยศถาบรรดาศักด์ล่ะเงินคําทรัพย์สมบัติะ่ะมันจะเป็นของเราได้ยังไงขนาดร่างกายยังไม่ใช่ของเราอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนนะสอนพวกเราให้มองย้อนมาหาตัวเราคือใจนะ ให้ย้อนมาหาใจไม่ให้หลงกายจากนั้นพอเห็นใจแล้วจะนี่ก็พิจารณาใจปล่อยวางที่ใจอีกใจทําไมไปหลงเขาอทําไมคิดโมโหทำไมคิดโลภคิดโกรธคิดหลงคิดรักคิดชังที่นี่มันอยู่ในใจมันก็เพื่มพื้นกระเพิ่มลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ใจนี่ก็ไม่ใช่ของเราอีกเป็นอนนี้จังอีกของไม่เที่ยงอีกเออ ใจเป็นของไม่เที่ยงจากนั้นก็ถอนใจออกไม่พิจารณาถึงใจใจไม่ใช่เราใจไม่ใช่ของเราใจเป็นใ น, ในจังใจเป็นทุกขงังใจเป็นอนัตตาไงนี่แหละนี่แหล ะ, ละให้พวกเราพิจารณาเนะจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจไม่เป็นอย่างอื่น